เนตางๆอาจจะทำแบบไหนก็ไม่รู้หรืล่น Bye. <laughs> Okay uh -huh. กู คืนที่ผ่านไปนไม่ได้ทำประโยชน์อย่าตัวเองตัวอย่างไรยรมีแต่กินก็คขี้แต่เสือกแ่เพิน เป็นอย่างนั้นมันเป็นน้ํหนูแต็มันเด็กหายหนูหนังน้ําหนูจึงสอนตัวอย่างนั้นผู้ปองผู้เวลามีโอกาส การงานด้านอื่นบังคับไม่มีกำลังการเชียงพ อ, พอเพราะเราจะสอบกิดการงานด้านอื่นเหนื่อนเหน่อยเมื่อมาบวชเป็นพราเป็นเมการงานด้านอื่นในืีอยเหน่อยจะออกกำลังการมีใขึิน แต่เล่นจิตปจจิตใจเราจิตใต่างๆหนักเข้ารู้แต่เ่าก่ อ, อนเราเห็นเส็นใค้เป็นที่เป็นใครจิตจะมาโย่ข้องกับใจหนักหนาขนาดไหนจิตย้อนแล้วไปจิตตาตาใส่มืด ม, มิดหน่อยแต่หายห่วงแตม่อมาอยู่ในวัดในต่า้าปฏิบัติอั ใจกิเลสความเศร้าโศ้องใจมีต่ปัญหาความดยากเตืนจิตติดข้รู้กระห่มเข้าต่อขนาดยินดีเถิดเทินไปตามรูปจิดปรุงแต่สิ่นั้นมันสวยสิ่งน้มนงาม คงตัวเป็นอย่างนั้นมีแต่จิดติดขอ้องก้นหนัดยึดดื้ออยากตอบอยากสูบแพ้วจิตมันไม่มีทำรักษามีแต่กีดขัดปัญหาเป็นหน้าสื่อจมไปทุกวันทุกเวลาเสียงสมุนกันได้ยินเข้าแต่เราไปต่ อ, ตอเฉียวติดข้องอยากจะไป ฟังเกดทเมื่อมา ขัดเพียงเพียงเดินจนเตมภาวนาสัมไรสิทิ์ดูภายในยู่สมานตนวน้ไปอย่าปล่อยใจให้ไปตามเรื่องโลกเพราะเรื่องโลกใหุ้ดดูโดยอัดโดยทําจริงจังเขาไม่มีอะไรที่จะสุดจะสบายตอเสดยวยเสดเท่ากับสมณนะคือนักหนือ จิตใจจะต้งหวหว่นคุณนเมือ่อสิ่งตึงติดข้องอกองายจ ะ, จะต้งการทำทำงานหนักหน่วงต่อจ ะ, จะได้มาอยากมากินเรื่องมันเป็นอ่างนั้นความยุ่งเหลิงของใจแ่นนี้คือท่านคือ ท, ำ, <c oughs> ท, ทำให้พวกเราท่านยุ่งเหยิงยุ่งวาง เราเรือ่องอื่นอันอื่นเพราะสิ่งสิ่งอย่างเราะสรามาหามาส่พระใส่เมลได้ไปพูดปฏิบัติเป็นเน็ตเป็นหน่วยเพราเ่อพงเด็ถามอยาจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้จากพวกเราโอกาสหน้าที่เป็นหน่วยเป็นที่ตะปฏิบัติการจัดจิตใจทั้งตัว คาววาเป็นไปไม่ได้จะนั่งหลับหูหลับตาภาวนาการงานานคี่มันมีความรื่มเหลงของใจจิดไข้คิดจิดหล่องต่างๆเพราะการหน่อยำระสาระสารม่นาา ม, มีอจัจเมตทความรื่มเหลงควรให่ามหนอยที่อยู่ในวัดในวาไม่ได้เพระเพราะเชื่อเรื่องกิเลปัญหา อื่นๆใน ม, มีอะไรสื่อจะเป็นคิดเป็นใเใจเท่ากับราคาัหาขงตัวเพราะทุกอย่างการเมืงห็นก็มีเพียงพอาบาีบที่อยู่ที่อาศัยยิ่งใหญ่โตป่คาวาวาใหญ่โตอย่างไรเพราวาหมหลังหนึ่งเขาอยู่กันเคนจุดจถ้าจะมบแยไม่เท่าถือเราอยู่เพราะเราอยู่ปติ หนึ่งตัเอียงเดียวจับฟันทะเดีวกสบใบทั้งหนึ่งทั้งหงนัวเหมือนกันเขาช้าเขาสอยจนหักทะลุกันบางคือบางคนหนึ่งไปหนึ่งมาทำไรทำมาจนดูไม่ออกหากของเขาเขาไม่สนใจสองหยุดท่องดียืเสร เท่าไะหรือผ้าเนรมองเรายังมีความ่อนผันสบายหนักมาและเออดยากยากจนการขบฉันกลมเี้กันเขามีอาหารอย่างเดียวเท่านั้นขั้งคอบครัวแต่ละวันแต่ละมื้ี่เข่กทานกันในเขามีหลายสิ่งหลายอย่างเต่เราที่สื่ารมาเนินมาเป็นอย่างนั้น คนนั้นเอามาอย่างหนึ่งคนนี้เอามาอย่างหนึ่งอาหารการกบขันมีมากมายหลายอย่างทั้งหวานทั้งข้าวมีมากมาอดดากขาดแคลนอะไรเนี่ยฉันมากมาโดยที่ไม่พูดมายื่นปัญหามันก็เพื่อนทนติดใจมันมีวันสงบลางนับหลับยื่นปัญหาให้ เพราะตองเอาใจใส่ที่นะพิดปฏิบั่ะราคาตันหาจินกระเบื้องเรียก่อติดเรายึมก็ชอบอย่างนี้อาจทำแม่สอนตัวเป็นอย่างนั้นจริงๆเราติดเราชอบเราเม็กอไ่ามันดีเยียมมันเกิดจากชื่อเลวเกิดจากตันหาทางใจไม่ใช่มันเกิด มาจากรูจากเสียงส่นนั้นกายของพวกเราขึ้นไม่ทราบอะไรมาหาใจนีย่ยินดีไม่เกี่ยวข้องไม่เพิเพลินไม่ลืนหลวงนั่นก็ไมนมีอะไรเป็นปัญหากายมันมีอยู่กว่าสัจจะกายเท่านั้นคนที่ลืมหลวงไปตามเหตุสืบเหตุปัญหาจะมีความทุกข์ความมโนภาพ คือมาแจกเขาไม่ใช่เขามีความสุกความสบางปัญญาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเป็มสิ่งทู่ซักซอกจิตใจหรือสมนะสะสสังให้จิตใจของเราท่นสว่างไสวเรื้องเห็นตามต้นจริงในสิ่งอย่างนั้นไม่ลืมลืมเกิดเพงเพราะเปนสิ่งที่น่อจำเป็น คือเราชอบเราปิดเราคิดเราฟื้นอะไรนั้นไม่ใช่เรื่องจำเป็นในชีวิตไม่ใช่เรื่องจานความฝึกมาให้หนอกจากใจเราเหลวงคนทั่วไปทุกยากลำบากกายใจต่อเพราะเชื่อเรื่องเของกี่ลวปัญหาในเช้าวันเชื่อเรื่องเองธรรมะคนเชื่อเรื่องธรรมะไม่หลวงเราตามเรื่องเกี่ลวปัญหาหักห้างต่านทาน แน่สอนตนคนนั้นจะมีความสุขความสงบได้เรื่องอื่นภายในวัดควรดูพูมสุขทุกอย่างพูดถึงเรื่องเครื่องดู่เครื่องอาศัยตัดใจทั้งสี่ยีรอนลิน้าบาเจออ้านาสนะยาแก่ขัดแต่ซึ่งผีมัน ลืมเหลวหรือทำลายจิดใจไม่ให้สุขให้สงบให้สบายได้แต่เพราะราคาตัญหาชอหอบติดคิดจริงในเทศตรงตันข้าถือย่ามันสวยมันงามถือว่ า, ม, ม, า, วามันสุขมันสบายถือว่าเปงนของดียิ่งเพราะมันอยู่ที่ไมนะ่ติดใจมาในสิ่ง่างนั้นตามเป็นจิง ในอาในธรรถจิพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรเห็นจิดจริงจอย่างนั้นหากคนนี้ที่เจมาจริงจังูกเขาลูกเราไม่มีอะไรผิแตกแากต่างกันดินน้ำลมไผเหมือนกันอากาศดินดนเหมือนกันแก่เสีตายเหมือนกันเน่าเหม็นเหมือนกันไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์น่าเฉลเฉลน่าลึมหลุ่นี่คือ คือมีธรรมะที่เจนณาตามเป็นจริงของมันถ้าหากมันยังละยังถอนไม่ได้มันพิรุิที่เจรณาอสุภะอสุภังความเหน่ยเสียปดงดงานม้องตนเมื่อเห็นเรื่องของตนคนอื่นตัดอื่นมันก็ใม่เฉลิงใส่อะไรที่เราไปลืมหลงมั่นหมายวายุนชายต่างๆพิ่เจรณาดูผลผลแล็ดฟัน นั่เมื่อเอ็นกระดูกหรือมันเป็นหญิงเป็นชายมันเป็นเราเป็นเขาถามมันดูพิจารามันดูให้ทั่วถึงที่เราไปกำหนดยินดีเราไม่เพูยเจนาอย่างนี้งเลยเพื่อเชินเล่มนหลงของเน่าของเหม็นของทุกข์ที่ว่าของหอมของดี ของสุขความเกียงการเสพตามเป็ทุกข์ในใจของสุขของสบายการเกี่ยงพูดถึงเรื่องทุกขการเอาไว้ว่าเหมือนกันกับหลุนฐานเฮงคนใดในที่นี้ที่เจอมาไปตกเข้าคนนั้นจะเดืรับทุกข์เดือดร้อนแทบประดาตายหรือเหมือนกันกับความฝันพอเสพแล้ว จะมีอะไรที่จะติดเมื่อติดตัวมาได้เราฝันอย่างไรตื่นมาคําฝันนั้นจะไม่เป็นจริงให้จะหายไปไร่มีอะไรที่เป็นจริงความเสพตามกว่าทําเอาแล้นเบว่ความหลืองความกาหนัดยินดีเพลิดเพลินวลาอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้ ยินดีเพื่อเชิเขาลงเราเอาลงเขาด้วยองนี้อาจมีทำทั้งสองฝ่ายจึงเกิดตำหน่ายินดีกันขึ้นลระเพศของเราดีเขาดีอวัยวะเพศต่า ง, างหากคิดในชิดเป็นไปในเรื่องของการอวัยวะเพศนั้นยังมีอยู่แต่เขา ไ, ไม่รู้ไม่ตำหนัดอะไร เสร็ไปเพราะใจใจก็นึ่นงูความสุขความสบายอะไรทา่าค้ายๆในเื่อของทําจริงจังจนเกิดเศษมากเข้าจะต้องน้ยเาเจ้าจุกทุกข้อปกติจะเป็นหญิงต่อตาเป็นชายต่อตาถ้าหากไม่เสรการร่างาากายสว่ดงดงานเป็นปักพเสรการกันเข้า หน้าตาหน่อยหงาในเสื้องนมเราเคยเห็นจนสักสีภายน์คนเกิดเกลดตามาก่าเกิต้องมีสีหน้าคื้ตาผุดปกติในเสื้องามให้กำลังวังชาภายในตาย็ปลดบด่อน ต่อไปในใจเรื่องนำความสุกมาให้นอกจากใจหลุ่มหลงพิเจนาเหยื่อถึงใจพิเจนาถึงใจพิเจนาไม่อาดในทำแล้วมันไม่มีทางสงสัยคือเราถือว่าหน่ามันแดงอย่างนั้นอย่างนี้มันเลือดคือทําใหยด้แต่มันนมสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนเนื่อมันเน่า ไม่ครับสีสมลาลาโปรกโปรเหมือนแม่งเหมือนโขงกั น, น, น, น, กนเราจะไปโข น, นทําไมเราอย่างไรเขาอย่างนะไม่มีอะไรผิดผิดแตกตกต่างกันอวัยวะของเราผิวว่าเป็นผู้ชายก็เหมือ น, นกันกับอวัยวะของเขาที่เป็นผู้หญิงไม่มีสิ่งใดที่ผิดแตกกัน ก่อนหนังอันเดียวกันนึก่าอันเดียวกันแต่เราเข้าใจตามสมุดทั้งโลกโดยไม่พิจารณาธรรมะยังไปลืมหลงติดข้องกำหนัดโทบเท่เชยฉะนั้นการพิจารณาธรรมะย็งเป็นเรื่องแกะไขราคาตันหาพิจารณาลึกเข้าไปถลายใจรื้อห็นตามเป็นจริงยอมจำนน ง, งทาถอนท้องวุ้ยได้ เป็นของกินอย่างนี้สามารถชำระสักซอกจิตใจที่เลื่อนหลงให้หายออกไปได้เห็นงานผู้จะดูเพียงภายนอกไม่เป็นอย่างนั้นจะต้องเลอะหนังเข้าไปดูเนื้อเอ็นกระดูบตัดไปใส่ชิ้นต่างๆส่วเป็นของไม่เสียไม่งามเป็นของอนเลือกจังทุกขังอนัตตา หนูเคยดูถือดูธรรมะภายในถ้าไม่ดูเพียงผิบเขินภายนอกเท่านั้นจะต้องดูเข้าไปภายในมันเสอยที่ไหนมันงามที่ไหนอะไรไหลออกมาจากปากจากจมูกจากผลาญหนักผลานเบาหรือตามเมื่อตามตัวมีอะไรสวยงามมีคุณค่าราคาพอขายได้ไม่แต่แข้งเงนาแข้งเหม็นถ้าไป หายไปบ้างเคยเรียมของเขาเขาตต้ปรับต้องใหม่ต้อเหตุใดว่าเป็นของโปรตกมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นเลือดคือเราเลือดเราหวว่ามันหน้าแดงมันเจ๋อมันงาน